เทปและซีดีตอนนี้คือหมายถึงปีพุทธศักราช 2,549 นี้ข้าพเจ้าอยู่บ้านพักผ่อนเป็นส่วนมากเพราะอายุมากขึ้นและกำลังลดถอยลงมากมีงานทำเล็กๆน้อยๆตามความสมัครใจเช่นไปสอนปริญญาตรีบ้างปริญญาโทบ้างสำหรับปริญญาเอกนั้นไปสอนเป็นครั้งคราว ไปสอนนักศึกษาวันอาทิตย์หลักสูตรพิเศษทุกอาทิตย์เว้นอาทิตย์ต้นเดือนผู้เรียนวีหลายวัยหลายระดับความรู้เรียนรวมกันแต่ก็เป็นไปได้ดีเป็นการเองและสงบร่มเย็นอบอุ่นมีความสุขที่ได้เรียนได้สอนและได้พบกันทั้งที่บางคนจบปริญญาเอกบางคนปริญญาโทบางคนปริญญาตรีบางคนไม่มีปริญญาสําหรับวัยนั้น มีตั้งแต่อายุ20ขึ้นไปถึง75แต่ก็รับพิทิบัติต่อกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันที่รักใคร่ปลองดองกันข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจในชั้นเรียนนี้ผู้เรียนก็ภูมิใจเหมือนกันเท่าที่ได้ฟังมาสำหรับการออกอากาศทางวิทยุนั้นทำได้บ้างโดยวิธีอัดเทพล่วงหน้ามีผู้สนทนาด้วยทางโทรศัพท์ เขาอยู่ที่ห้องอัดเสียงหรือสตูดิโอเขาพเจ้าพูดไปจากบ้านเช่นรายการธรรมะกับชีวิตของคุณอริยาพรสิทธิธรรมพิชัยนอกจากนี้เอาเทปเก่าไปเปิดบ้างบางสถานีเช่นรอดเจ็สเจรายการแสงเทียนเสียงธรรมของคุณเพ็ญศรีอินทรทั์สมัยก่อนเ่อข้าพเจ้ายังสบายอยู่ ข้าพเจ้าจะพูดสดแล้วอัดเทปไว้คุณวันนาการจะนะพินโยวงจะอัดไว้ทุกรายการต่อมาได้ทำเทปออกจำหน่ายในราคาถูกประมาณหกสิบชื่อเรื่องคิดเป็นม้วนเทปแคเสเซ็ตได้ร้อยเก้าสบหกม้วนม้วนละหกสิบนาทีบ้างเก้าสิบนาทีบ้างที่ไม่ได้ทำจำหน่ายก็มีอีกไม่น้อยต่อมา มีผู้ศรัทธาไปถ่ายจากแคบคาเสร็จลงในซีดีบ้างเอ3สบ้างที่มีผู้อ่านจากหนังสือลงซ d ดีก็มีตอนนี้มีมากจนจำไม่ไหวรู้สึกดีใจที่มีผู้สืบต่อ ง, งานให้แพร่หลายออกไปสู่มหาชนเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและสังคมชีวิตปัจจุบันอาหารการกินไม่เดือนร้อนมีผู้คอยดูแล เป็นลูกศิษย์บ้างญาติบ้างลูกศิษย์ที่ดูแลอยู่เป็นประจำก็มีบางคนทําอาหารส่งสัปดาห์ละสองครั้งคือคุณวิรัตและคุณนวนน้อยชูประดิษฐ์ที่เป็นหลานลูกของพี่สาวซึ่งเสียชีวิตไปแล้วทําอาหารมาส่งให้เสมอเสมอก็มีคือประดับหรือสุชาดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันอาทิตย์ที่ไปสอนลูกศิษย์หลายๆคนจะนําขอมาให้ รวมความว่าไม่ลำบากเรื่องอาหารการกินที่อยู่อาศัยก็พออยู่ได้ไม่เดือดร้อนยารักษาโรคก็มีลูกศิษย์บางคนที่เป็นเภสัชกรช่วยจัดให้คือนันทวันตั้งชัยสุขเสื้อผ้าก็มีเพียงพอแก่ความต้องการรวมความว่าเรื่องปัจจัยสีไม่ขาดแคลนไม่เดือดร้อนเวลาใดต้องการเขียนหนังสือ ก็มีลูกศิษย์วางคนคอยจดบันทึกให้คือยุวดีอึ้งสีวงอย่างที่กําลังเขียนบันทึกอยู่นี้ก็มีลูกศิษย์ช่วยเขียนให้ข้าพเจ้ายังโฉนวนอยู่ว่าเพราะเหตุไรเมื่อยังเขียนหนังสือได้ด้วยตนเองและสามารถเขียนได้มากจึงไม่เขียนประวัติไว้มาเริ่มเขียนเมื่ออายุเจ็ดิบสองแล้วและไม่สามารถจะเขียนได้ด้วยตนเองต้องนั่งบอกให้ลูกศิษย์ช่วยเขียน เท่าที่คิดได้ตอนนี้น่าจะเป็นเพราะหนึ่งข้าพเจ้าลังเลว่าจะเขียนดีหรือไม่ดีคิดไปในทางไม่เขียนมากกว่าจึงปล่อยเลยตามเลยมาจนถึงบัดนี้ 2. เมื่อยังมีกําลังและมีความพร้อมที่จะเขียนได้เองอยู่ข้าพเจ้าก็ใช้เวลาให้หมดไปด้วยการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆและเขียนเรื่องต่างๆไม่รู้จักหมดสิน้น เพราะว่าวัตถุดิบที่จะนำมาเขียนได้มีมากเหลือเกินสาเหตุจูงใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัดสินใจเขียนในเวลานี้คือมีผู้ขอประวัติเพื่อไปทําวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับผลงานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถ่ายเอกสารประวัติที่มีผู้สัมภาษณ์ไปอออกากาศทางวิทยุแล้วและพิมพ์เป็นหนังสือแล้วรู้สึกว่ายังผิดอยู่มากต้องแก้ไขกันมากจึงคิดว่า ถ้าข้าพเจ้าไม่เขียนไว้เองต่อไปภายหน้าเมื่อข้าพเจ้าเสียชีวิตแล้วเรื่องราวต่างๆจะผิดเพี้ยนไปสักเพียงไรผู้ที่เกิดภายหลังไม่ได้ทราบความจริงก็จะถือเอาอย่างผิดๆไม่ตรงตามความเป็นจริงพย้อนกล่าวถึงการศึกษาพราพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ที่ข้าพเจ้าสอนมาเป็นเวลา20ปีแล้ว มีนักศึกษาออกไปบ้างเข้ามาใหม่บ้างตามที่ได้กล่าวไว้บ้างแล้วตอนนี้ได้รองศาสตราจารย์ด็เอร์สายฤดีวารากิจโพคาธรเป็นกําลังสําคัญได้รับฉันทานุมัติจากเพื่อนร่วมห้องเรียนให้เป็นหัวหน้าด็เตอร์สายฤดีเข้ามาเพราะได้อ่านหนังสือธรรมะรอบกองไฟของคุณขวัญเพียงหาไทยหรือพรจิจคงวราภาซึ่งได้เขียนถึงข้าพเจ้าว่า ได้รเรียนธรรมะกับข้าพเจ้าที่วัดบรวรนิเวศวิหารดอกเตอร์สายฤดีจึงได้ตามมาฟังเมื่อประมาณต้นปีพุทธศักราช 2,545 และได้ชวนพักพวกมาอีกหลายคนซึ่งล้วนแต่อยู่ย่างยืนกันมาจนบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนมีอนุภาพของตนแต่มีอนุภาพต่างกันเท่านั้นถ้าได้รับมอบหมายให้ทางานตามที่เขาถนัด หรือตามอนุภาพที่เขามีเขาย่อมทำได้ดีคุณสุทีพึ่งพรพรมกับคุณเทรานุษย์ปัญญารัตนาบุญได้ทำอาหารและเครื่องดื่มมานานปีโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในห้องเรียนวันอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันแต่ละคนต่างช่วยกันทำงานตามอนุภาพของตนอย่างน่าปลื้มใจและน่าสรรเสริญข้าพเจ้าไม่สามารถจะกล่าวถึงคนทุกคนได้ แต่ขอกล่าวรวมๆไปเช่นนี้การไปต่างประเทศนั้นข้าพเจ้าไม่ค่อยได้ไปนักหลังจากกลับจากอินเดียแล้วก็ไม่ได้ไปอินเดียอีกเลยและไม่ได้ไปประเทศไหนจนถึงพุทธศักราช 2,536 ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติจากมหามกุฏราชวิทยาลายัยให้ไปดูการประชุมสงฆ์ในสหรัฐอเมริกาพัญญาของข้าพเจ้าขอติดตามไปด้วย เพียงเพื่อช่วยเหลือข้าพเจ้าในการเดินทางไกลเมื่อการประชุมสงฆ์ที่สหรัฐอเมริกาเสร็จแล้วได้เดินทางไปอีกหลายประเทศในยุโรปกล่าวคือฝรั่งเศสเดนมาร์กนอร์เวย์ใช้เวลาทั้งหมดเพียง20กว่าวันหลังจากนั้นข้าพเจ้าไม่เคยไปประเทศไหนอีกเลยเรื่องไปอเมริกาและยุโรปนี้ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วในหนังสือเรื่อง อันสืบเนื่องมาจากการไปดูการประชุมสงฆ์นาซารัฐอเมริกาพุทธศักราช 2,536 ต่อมาประมาณอีก10ปีคือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช 2,545 ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงบ้านครั้งใหญ่ห่างจากครั้งแรกถึง20ปีจ่ายเงินไปประมาณ6แสนซึ่งเป็นเงินจำนวนไม่ใช่น้อยสำหรับข้าพเจ้า ดีที่ไม่ได้เป็นหนี้เลยพอถึงเดือนพฤศจิกายน2546เขาพระเจ้าก็สูญเสียเพื่อนร่วมเดินทางชีวิตไปคือผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจิตอินทศราผู้เป็นพัญญาได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งตับขขาพเจ้าได้เขียนเล่าเรื่องของสมจิตกับเขาพเจ้าไว้พอสมควรในหนังสือพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2547ลูกชาย2คนก็ได้ทำงานเป็นหลักฐานแล้ววรัตเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์สวนดุสิตกำลังทำปริญญาเอกอยู่ด้วยที่สวนดุสิตเหมือนกันหมายเหตุตอนนี้คือพุทธศักราช2550ได้จบปริญญาเอกแล้ววโรดทำงานอยู่การวินไทย จะต้องไปใช้ชีวิตยอยู่ต่างประเทศครั้งละนา น, านหลายปีเกี่ยวกับหนังสือเทพหรือซีดีวรรณาการจะนะพินโยวงได้รับผิดชอบแจกบ้างฝากจาหน่ายบ้างจําหน่ายเองบ้างตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังได้ช่วยจัดอาหารกลางวันในวันที่ข้าพเจ้าไปสอนที่มอมอรอคือในวันอังคารและวันพฤหัสชีวิตของข้าพเจ้า บัดนี้ได้มายืนอยู่ในขณะปัจจุบันแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไม่อาจจะคาดเดาไ ด, ด้ไม่กล้าหวังอะไรเพียงแต่พยายามทําเหตุให้ดีไว้ผลจะเป็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่เหตุบันดาลให้เป็นไปข้าพเจ้ามีคติอยู่ว่าได้มอบตนให้แก่ทําไปแล้วจะสุขหรือทุกข์จเจริญหรือเสื่อมอย่างไรก็สุดแล้วแต่ธรรมจะอํานวยผลให้ มาในระยะหลังนี้คือพุทธศักราช 2,550 มีผู้ส่งอาหารเพิ่มขึ้นคือคุณแม่มจุทาภาเจริญวันส่งสองวันคุณปนัดดาเลือดล้ำอัมภัยส่งหนึ่งวันทำอยู่ระยะหนึ่งแล้วข้าพเจ้าได้ขอร้องให้หยุดไปเพราะเหตุที่มีอาหารเพียงพอที่จะย่างชีพได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องเงินทองใช้สอย น, นั้นไม่ได้ขาดแคลน เพราะข้าพเจ้าได้เก็บออมไว้เองบ้างนอกจากนี้ยังมีลูกศิษย์หลายคนได้ช่วยเหลือมอบให้เป็นรายเดือนลูกศิษย์บางคนได้ประปรนาที่จะออกค่ารักษาพยาบาลให้เมื่อเจ็บป่วยทำให้รู้สึกตื้นตนใจขอบใจทุกๆคนที่มีน้ำใจต่อข้าพเจ้ามีนายแพทย์บางคนชอบอ่านหนังสือที่ข้าพเจ้าเขียน บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้ดูแลข้าพเจ้าบ้างตามโอกาสที่มาถึงเข้าและให้ติดต่อได้ตลอดเวลามาระยะหลังนี้คือปลายปีพุทธศักราช 2,551 ร่างกายของข้าพเจ้าทรุดโทรมลงมากเนื่องด้วยโรคหลายอย่างมีโรคหัวใจเป็นต้นทำให้อ่อนเพลียไม่มีกำลังทำงานได้น้อยสอนหนังสือเพียงเล็กน้อยก็เหนื่อย ในที่สุดคงต้องหยุดสอนไปเองข้าพเจ้าเป็นโรคนั่นโรคนี้อยู่เสมอตั้งแต่วัยเด็กที่เรียกโดยทั่วไปว่าเป็นคนขี้โรคเรื่อยมาทุกวัยจนถึงปัดฉิมวัยบัดนี้คือพุทธศักราช 2,551 อายุ75แล้วโรคยิ่งระดมกันเข้ามาเบียดเบียนบีบพันมากขึ้นไม่รู้จะรอดไปได้สักเพียงใด ข้าพเจ้าลองนึกทบทวนดูเข้าใจว่าสาเหตุของโรคมาจากความไม่รู้บ้างความรู้เท่าไม่ถึงการบ้างรู้ผิดบ้างนี่เป็นเหตุในชาตินี้สําหรับเหตุในชาติก่อนไม่อาจทราบได้ข้าพเจ้าเขียนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไว้ณที่นี้เพื่อจะเตือนคนรุ่นหลังว่าขอให้เอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีอย่าได้ประมาท เพราะมันเป็นปัจจัยแห่งความสุขที่สำคัญของชีวิตซึ่งเขาพระเจ้าไม่เคยนึกในวัยต้นๆมุ่งแต่การเรียนและการงานไม่เคยคำนึงว่าสุขภาพกายที่สมบูรณ์รายโรคมีความสำคัญเพียงใดมาสำนึกอย่างท่องแท้เมื่อมีโรคมากเสียแล้วยากต่อการแก้ไขทำให้ความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ และความสามารถในการงานลดน้อยลงอย่างน่าใจหายอย่างที่จะเรียกคืนไม่ได้อีกความชราอย่างเดียวก็ทำให้บุคคลทุกพลภาพไปมากแล้วถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนรุมเล้าเข้ามาอีกจะทุกพลภาพสักเพียงใดท่านลองนึกดูเถิดยิ่งอยู่ไปนานปียิ่งทำให้ข้าพเจ้าทราบซึ้งในพระคุณของพระาศาสนามากขึ้นมากขึ้นพเพราะรลึกว่า ฐานะของข้าพเจ้าที่เป็นอยู่ได้อย่างปัจจุบันนี้เป็นพระอนุภาพแห่งพระศาสนาคุ้มครองโดยแท้ไปติดต่อเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆในที่ใดๆก็ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างดียิ่งทั้งนี้คิดว่าเป็นพระอนุภาพแห่งพระธรรมซึ่งข้าพเจ้าเคารพเผยแร่และถือเป็นธงมาตลอดชีวิตความแตกดับแห่งชีวิต ย่อมมีเป็นแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเหมือนเรือที่แล่นมาไกลจนเห็นฝั่งแล้วฝั่งคือความตายซึ่งมองเห็นอยู่เบื้องหน้ารู้ถึงปลายปี2551เมื่อข้าพเจ้ามีอายุเข้าปีที่75โรคร้ายไข้เจ็บรุมล้อมมากขึ้นร่างกายสุดโทมและทุรพลคือไม่มีกำลังจึงได้หยุดสอนหนังสือไปชั่วคราว ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยสงม ม, มรและทั้งสิทธิผู้ศึกษาธรรมในวันอาทิตย์จำได้ว่าตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม2551เมื่อรู้ว่าข้าพเจ้าป่วยจนไม่สามารถสอนหนังสือได้ก็มีสิทธิผู้ศึกษาธรรมวันอาทิตย์มาเยี่ยมเยียนกันเสมอมีรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์สายรดีวรกิจโพคาทรเป็นต้น พอดีเป็นเทศกาลปีใหม่ด้วยความเป็นอยู่ของข้าพเจ้าเวลานี้คือมกราคม2552ล่อแหลมต่ออันตรายแห่งการสูญเสียชีวิตข้าพเจ้าอยู่ไปวันต่อวันคือนึกอยู่เสมอว่าจะอยู่ถึงพวกนี้หรือไม่พวกนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนพุทธศักราช2552 วันที่4กุมภาพันธ์2552คณะผู้ศึกษาธรรมวนาทิศและสิทธิผู้สนใจในธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อการรักษาพยาบาลข้าพเจ้าโดยเอาเงินเข้าธนาคารเบิกใช้ได้ตามประสงค์เมื่อต้องการขอบใจคณะสิทธิทุกคนอันที่จริงข้าพเจ้ามีเงินพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ แต่เมื่อคณะิทธิ์อ้อนวอนและมีเจรจาจำนวอันแน่วแน่ข้าพเจ้าก็ปลื้มใจและอนุโมทนาขออวยพรให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปวันที่แปกุมภาพันธ์งพ5น้าหสองได้เริ่มไปสอนใหม่สำหรับผู้ศึกษาธรรมวันอาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏแต่จะสอนไปได้นานเท่าใดไม่แน่ใจเพราะรู้สึกว่าสุขภาพทรุดโทรมลงทุกวัน บุพการีเมื่อข้าพเจ้าเริ่มตั้งตัวได้ทราบข่าวว่าป้ากลับผู้เป็นบุพการีต่อพี่น้องของข้าพเจ้าทุกคนรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยท่านชรามากแล้วยังต้องนำของไปขายที่ตลาดนัดข้าพเจ้าถามไปว่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งต้องใช้เงินสักเท่าใดเมื่อทราบจำนวนแล้วข้าพเจ้าบอกว่าให้ป้าหยุดค้าขาย เงินจำนวนนั้นจะส่งไปให้เองข้าพเจ้าได้ส่งเงินให้ป้าเสมอมาจดป้าเสียชีวิตประมาณปีพุทธศักราช2523ต่อมาได้ทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชดีลกป่วยท่านอยู่ที่วัดบุภผารามฝั่งธนบุรีต้องเข้าโรงพยาบาล บ, บ่อยๆต้องใช้เงินในการรักษาพยาบาลในการซื้อยา นึกเอาเองว่าท่านคงพอมีอยู่บ้างวันหนึ่งได้ทราบว่าท่านให้คนถือจดหมายไปขอเงินหลานที่หาดใหญ่รู้สึกสลดใจว่าเราอยู่ที่ใกล้ไม่รู้ถึงความขายแคลนของท่านจึงประวารนาว่าตั้งแต่นี้ต่อไปถ้าเผื่อท่านต้องการปัดใจจำนวนเท่าใดขอให้บอกและถ้าถวายเป็นนิตยภัตประจาเดือนท่านขอให้เปิดบัญชีออมทรัพย์ไว ท่านต้องการเมื่อใดก็จะให้เด็กลูกศิษย์มารับไปตั้งแต่ปี 2,526 จนท่านสิ้นชีวิตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี 2,534 เนื่องจากท่านมอบศพให้แก่โรงพยาบาลสิริราชจึงได้มาทำการพระราชทานเพลิงศพเมื่อ7พฤษภิาคม 2,537 ต่อมาพี่สุมเมรได้มาหาที่บ้าน หลังจากคุยเรื่องอื่นกันแล้วตอนนั้นพี่สุมเมศไม่ค่อยสบายป่วยกระสอบกระแสเขาพระเจ้าได้ถามว่ามีลูกหลายคนเขาได้ส่งเงินให้ประจําหรือไม่พี่สุมเมศ ต, ตอบว่าส่งบ้างไม่ส่งบ้างไม่แน่นอนข้าพระเจ้าจึงได้ส่งเงินให้พี่สุมเมศทุกเดือนจนพี่สุมเมศเสียชีวิตที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่สิบห้าธันวาคมปีพุทธศักราช25งพสาม ต่อมาวันหนึ่งอาจารย์สิริพุทธสุขได้โทรทางไกลาจากเชียงใหม่มาหาข้าพเจ้าตอนนั้นท่านไปอยู่เชียงใหม่กับลูกชายซึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านบอกว่าเงินที่มหาวิทยาลัยมหามกุตจะให้ท่านจำนวนเท่าใดให้ข้าพเจ้าช่วยนำฝากในธนาคารด้วยและบอกเลขที่บัญชีธนาคารให้ ข้าพเจ้าได้รู้เลขที่บัญชีของท่านแล้วก็เลยถือโอกาสฝากเงินของข้าพเจ้าให้ท่านเป็นประจำเดือนด้วยจนท่านเสียชีวิตเมื่อเร็วๆนี้เอง